การทำงานหรือการปฏิบัติก็ตามมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเนี่ความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นสิ่งขัดขวางสิ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการ ไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นๆมันมีอุปสรรคโดยกันท้งนั้นแม้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเราต้องรู้อุปสรรครู้ว่ามีอะไรบ้างในอุปสรรคของการปฏิบัตินี่ที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่มันเป็นเพราะอะไร พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคของการปฏิบัติหรือทมสมาธิวิปัสสนานี่มันมีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างนี่สำคัญมากมันทำให้เราไปไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อที่หนึ่งกามฉันทะความพอใจรักให้ในกาม ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริ้มลดกายถูกต้องสัมผัสใจรับรู้อารมณ์มันเกิดความอยากกามาฉันท่านะคือความอยากในกามคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกาม วัตถุกามไหล่นาซาโทะัวควายช้างมา้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัตินันดีต่างๆอันนี้เรียกว่ากามวันทะหรือเรียกว่ากามเรียกว่าวัตถุกามวัตถุทำให้เกิดความใคร่ความอยาก วัตถุที่ทำให้เกิดความต้องการความกินดีเราละลึกถึงเรื่องเรานั่นอยู่ตลอดอย่างนี้จิตเราไม่สงบเราต้องทิ้งออกจากใจเราไปให้ได้เราอย่าเอาเข้ามาไว้ในใจให้มันถอยห่างออกจากใจของเราหรือว่าวัตถุกรมมนนี่อยากเอามาเข้ามาอาุ่นวายอยู่ในหัวใจเลย เราฝากของไว้โอ๊ยหายซะนอ้ออะไรเงี้ยนี่ก็แก้วแหวนเงินทองเพชรนินกินดาเครื่องประดับตกแต่งของเก่าเราก็กลัวมันจะหายมันจะมีคนมาลากมาขโมยเอาไปจะอยู่ดีหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ใจของเราก็จะไม่สงบ เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติชนิดหนึ่งนี่แหละกิเลสกรรมละ่ะเป็นยังไงกิเลสกรรมนี่คือราคะโทสะโมหะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเนื้อความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจของเรา น, นี่เรียกว่ากิเลสที่ชื่อว่ากิเลสเพราะามันเป็นของทําให้ขุนมัวมันขุนมัวอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเรียกว่ากิเล ส, สกามเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติคิดถึงคนรักคู่รั ก, กหรือแฟนนั่นนี่ไปจิตใจมันก็ออกห่างจากความสงบไม่อยู่ในความสงบ ฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตลอดเวลาไม่เอาดีไม่ได้ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาอุปสรรคของความสงบทางใจเราต้องแก้ไขโดยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาฏะเป็นของที่ต้องแตกสลายไป จะเป็นของที่จะต้องทำใจให้ขุนมัวนี่เราต้องแก้ไขออกไปจากใจของเราให้พิารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามความรักก็เป็นของไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นของไม่เที่ยงความโลกก็เป็นของไม่เที่ยงท่านจึงเรียกมันว่ากิเลสกิเลสมัน มันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจทำให้ใจไม่สามารถบรรลุมรคผลได้ใจเราขุดมัวใจเราเศร้าหมองอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาบาทคือปองร้ายมุ่งร้ายต่อคนอื่นหรือความโกรธเนี่พยาบาทเนี่ย ความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองในเรื่องต่างๆน้ำก็ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปดูทางไหนมันไม่ดีสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มีความไม่พอใจหรือความโกรธอยู่ภายในอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา เราต้องแก้ไขให้หมดไปคือให้คิดว่ามองให้ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในแงด่ดีมองในแงด่ดีอย่ามองในแง่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างละ่ะต้นไม้ภูเขากุฏิบ้านเรือนแม้แต่ตัวตนของคนอื่นหรือตัวตนของเราบางทีก็ไม่โกรธให้คนอื่นนะโกรธให้ตัวเอง ให้มองในแง่ดีให้มองในแง่ดีทางดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสงบเราต้องเอาออกจากใจของเราให้ได้อันนี้อันนี้เป็นอันที่สองเรียกวพยาบาทมุ่งไล่อา่าออมาจากค่มโกรธนั่นแหละแต่ว่าม่ถูกใจสักอย่าง พูดอยู่ก็ไม่ถูกใจนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ถูกใจนอนอยู่ก็ไม่ถูกใจถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้ต้องอยู่ที่ลมหายใจต้องเข้ามาที่ลมหายใจทั้งอันที่หนึ่งและที่สองต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้อันที่สามคือทินามิทะ ทินัมีทะคือความง่วงเหงาหาวนอนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนนี่มันสามารถให้ทำให้เราหลับได้นะนั่งสมาธิอยู่ก็หลับไปเลยไม่รู้หลงพ่อเทศอะไรนยได้ยินแต่ว่าพุทโธพุทโธอบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปลมหายใจมันก็หายไปกับลมไปเลยนี่หายไปเลยมันเป็นยังไง ที่นามีทาไปว่าความง่วงเหงาหานอนเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาหรือมากกฎนี้ผานเห็นไหมท่านพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญอยู่ที่ว้านกันลลาวาลมมตคามเกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟัง บอกวิธีแกง่วงไว้แปดวิธีแปดวิธีมีวิธีสุดท้ายคือวิธีนอนถ้ามันทำยังไงยังไงในเ็ดวิธีที่ผ่านมานะมันยังไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียพอนะนอนหลับไปก็ตั้งสตินอนไว้ตั้งสติไว้ว่าจะรีบลุกขึ้นถ้ารู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้น นอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลี่ยมเท้าให้หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกเลยพอรู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นอย่าไปเหยียดขี้ค้านขี้เกียจอยู่อันนี้ให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตา มีแปดวิธีแล้วนะไม่ให้สรรมดานะความง่วงเหงาหาหนอนเนี่ยมันก็เกิดให้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำงานไม่อยากทำกำหนดภาวนามันเบื่อมันนายมันอิดหาละอาใจเราต้องคอยกำกับหรือว่าคอยแก้ไขโดยการเอาน้ำลูบหน้าบ้างหลายอย่างมีแปดวิธี จำได้ไหมลองอ่านให้ฟังดูซิมีอะไรบ้างเหตุวิธีนะเธอเพิ่งตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้แต่นั้นเธอเพิ่งสาธยายทมตามที่ตนได้สดับมาแล้ว ได้ เ, เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความงงนั้นได้ถ้าอย่างละไม่ได้แต่นั้นเธอพึ่งยอนช่องหูต้องสองข้างเอามือรูปตัวข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความงงนั้นได้ถ้าอย่างละไม่ได้แต่นั้นเธอพึ่งลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตา เดี๋ยวดูที่ทั้งหลายแงนดูดาวฤกษ์ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความม่วงนั้นได้ถ้าอย่างละไม่ได้แต่นั้นเธอพึง่งทําในใจถึงแสงสว่างตั้งความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้น มีใจเปิดเผยอยู่ชนีไม่มีอะไรหุ้มห่อทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดขึ้นข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความมุงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้แต่นั้นเธอพึ่งอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสมรุมอินซีมีใจไม่คิดไปในภายนอกข้อนี้จะเป็นเหตุ ให้เธอละความม่วงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้แต่นั้นเธอพึ่งสำเร็จสหยาสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำกำหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นพอรู้สึกตัวแล้วก็พึ่งรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่า เราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลื่มหลับโกรนะเธอพึ่งศึกษาอย่างนี้แหละดีละทีแล้วเห็นไหมละ่ะแปดวิธีที่ท่านพไบบูลอ่านให้ฟังนั่นแหละวิธีแก้ความง่วงอย่างดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอน อันสุดท้ายนี่แหละอัตมาชอบมากเลยพอเหยียดขาสองข้างแล้วก็นอนตะแคงก็งีบหลับไปสบายมาก น, นี้ตื่นขึ้นมาก็ภาวานาได้เลยนี่จะแก้ไม่หายต้องใช้ระบบนี้ตั้งแต่รูปหน้าทาตัวถูตัวเลื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่า มีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาก็หายง่วงได้วิธีเป็นวิธีแก้ไขไม่เหนง่วงเหงาห้านอนความง่วงเหงาหาานอนเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างหนึง่งต่อไปอุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจ ความฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติอืเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้ามีความฟุ้งซ่านลำคาญใจจิตมันก็ไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็ดิดน้นรนกระสับกระส่ายอก็ให้หาวิธีแก้ไข น่นลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำมาแล้วในการก่อมให้มีกิจเมตตาต่อคนทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในประโลกให้มีกิจเมตตา ความลำคาญใจก็จะหมดไปให้คิดถึงออพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรพยายามหนักหน่วงขนาดไหนจับท้อ ง, ถ, งถึงกระดูกสันหลังจับกระดูกสันหลังถึงท้องนี่เราจะเห็นพระโพธิสัตว์รูปพระพุทธเจ้าที่เป็นทองโหรเข้าไป น, ะนั่นหละพระองค์ทำความภาคความเพียร อย่างหนักหน่วงจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราทาเพียงเท่านี้เราจะหมดกำลังใจใเฉลือเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงต่อสู้แม้จะกินข้าวเม็ดวันหนึ่งหนึ่งเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนี่ยร่างกายไม่มีอาหารเลยมีเท่านั้นแหละเท่าเม็ดถั่วเขียวนะร่างกายโบไปเลยเห็นโครงกระดูก มีเนื้อหนังหุ้มอยู่ามีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกใกล้ไกลป่านไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเห็นไหมสุภะตาปริภาชกคนเดียวพระองค์เดินทางสามเดือนทั้งตั้ ง, งิป่วยอยู่นะ ป่วยอยูเย่เดินทางสามเดือนจึ ง, ถ, งถึงกุสินาราใกล้จปะปานิธิพานแล้วสุพธะปริพาชกจึงเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาถามปัญหาถามเรื่องต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นมากเพราะเวลามันน้อยเราจะแสดงทําให้ฟังอากาเสวะประดังนติสัมโนานาติพาหิโล สมณะไม่มีนอกพุทธศาสนาเหมือนร อ, อยนกไม่มีในอากาศฉันใดเพราะฉะนั้นนะพระองค์ตัดเลยตัสอนตรงๆเลยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันเลยนั่นไม่ใช่ว่าไม่มีในปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ใช่มีพระอรหันมีเยอะมีหลายองค์หลายท่านนั่น รองลูมาก็มีสกิทาค้าก็มีอนณาค้าก็มีโซดาบันก็มียังมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติยังไม่หมดไปถ้าปฏิบัติตามมารคกแปดคือคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสำเร็จสมความประสงค์และความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นอบร ม, มใน ข, าข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องมีหวงังมีผลมีประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและทาให้ยิงจัง ไม่ถอถอยไม่หมดกำลังใจย่อเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติตามมากเปรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอุปโลกขึ้นเป็นของที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนพระเจ้าแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนได้จริง เป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาค้าอนาคารหันได้จริงเราตั้งความเชื่อความร่วมใสยขึ้นมาจิตใจเราก็จะไม่ลำคาญไม่ภวะวับาบนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พิจารณาให้ดีนี่แหละอุทจากุจกักความฟุ้งซ่านลำคาญใจมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเรา เราต้องพิจารณาถึงความดีของพทธเจ้าความพยายามของพทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอานให้เราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้จิตใจเราก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็จะถึงความสุขความสำเร็จได้อันนี้เป็นอุปสรรคข้อที่สี่ข้อที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนที่ว่ามาแล้วลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ลังเลในการปฏิบัติของเราว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจไม่จริงใจไม่แน่ใจ ที่เราโอ้ยวิธีนี้คงไม่ดีวิธีนั้นน่าจะดีวิธีโน้นน่าจะดีนี่หลังเลสงสัยในว่าวิกิกิจฉาความหลังเลสงสัยสงสัยว่าเราทําอย่างนี้ไปมันจะสู้วิธีนั้นไหนสู้วิธีนี้ไหมนี่มันทําให้เกิดความหลังเลแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทําอย่างนี้แหละนี่แหละคือคําสอนพระเจ้าที่จะทําให้เราเข้าถึงมรรคนิพพานได้ให้เราคิดอย่างนี้ ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นขึ้นมาไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยไม่ทําให้ใจเสียกำลังหรือว่าทำให้ขวนญเสียหรือว่าทําให้ไม่สามารถปฏิบัติไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไข แก้ไขความลังเลสงสัยของเร า, ราเลัาางเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมคือคําสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนอะพระธรรมมีจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติแล้วจะได้ดีจริงหรือเปล่าหรือจะเสียเวลาปเปล่าเปล่านี่คือความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักคําสอนของพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีหลักมีฐานมีสถานที่บอกวให้ไว้ให้หมด มีเขาฝังที่ว่าที่ตรงนี้มีเสาโศกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิญิพพานของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ตัดสรุปของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมจักของพพุทธเจ้านั่นถ้าเราเข้าใจในความจริงเหล่านี้แล้วเราไม่สงสัยเลย จริงเราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติแต่สรุปปฏินิพพานที่พองค์ได้เป็นมาเป็นไปแล้วที่ที่พระองค์ทรงปวงอายุสังขารนั่นนี่ก็มีหลักฐานไว้หมดเลยมีวัดอยู่มีหลกฐานอยูอ่เขาเป็นที่ของทางราชการเขาจะรักษาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปหรือไปคนไปแกะเอา ก้อนอีกก้อนหินนะไปอันนี้มีอยู่มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเรานี่มีอยู่ในอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงอดทนสูงทุกอย่างให้คิดดูสามเดือนมาปวดโอโคนคนเดียวเดินทางอยู่สามเดือนเพื่อมาปวดโอโคนคนเดียวคือสุภทัปปริภาชกพอปวดสุภทัปปริภาชกแล้วเป็น พระสูรพระธาปริภาโชคได้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นพระพุทธเา้าจึงเสด็จดับขันพระริาพานทิ้งพวกเราไว้เบื้องหลังให้เราได้ยังมีธรรมะของพระองค์เป็นธรรมธรรมวินยัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสาคตแสดงไว้แก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้น จะเป็นศัสดาแทนตัวเราไม่ได้ตั้งคนอื่นเป็นเจ้าอาวาสไม่ตั้งคนอื่นเป็นสัสดาไม่ตั้งคนนั้นเป็นนี่เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ ช, ช่วยเจ้าอาวาสอย่างที่เรานี่ทำกันอยู่นี่นะอันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใครเป็นศัสดาแทนพระองค์เลยตั้งธรรมตั้งวินัยเป็นศัสดาแทนพระองค์นั่นนั่นแหละ เราก็มั่นใจได้ว่าพุทธเจ้านี่ก็มีจริงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วก็ได้ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็ถูกต้องแล้วในทางที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลจริงเราทำอย่างนี้ในใจของเราก็จะเกิดความมั่นใจและเข้มข้นขึ้นมาว่าเราตั้งใจทาอย่างนี้แหละ ยากง่ายยังไงก็สู้เอาอย่างนี้ไว้เป็นหลักกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันนี้มากแต่เราเอาส่วนเดียวสองส่วนมาปฏิบัติทำไมถึงเอามาน้อยเอาเวลามันไม่พอเอาขนาดนี้ก็ยังยากขนาดนี้แหละก็สามารถลัดไปสู่ความมันรู้มากผลได้เหมือนกันนี่แหละ อุปสรรคของการปฏิบัติมีอยู่ห้าอย่างการมาฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามทั้งวัตถุถูกกามและกิเลสกามพยาบาทความมุ่งร้ายคือความลาคาญใจความคิดปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นพูดง่ายๆว่าพยาบาทปองร้ายให้คิดอย่างนี้นี่ แล้วก็อันที่สามคือทินนมิทะความห่วงเหงาห้าวนอนอันที่สี่อุทะจกักบุตรจักความฟุ้งซ่านนำพันใจอันที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณงามความดีที่เรากทำทําอยู่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเราสงสัยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจต้องแก้ไขทันที จะได้มดลอุปสรรคในการทำความสงบแสดงมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาอีบังก็มีด้วยประกาศเล ะ, ะนี้ปฏิบัติต่อไปเลย